ประชาสภันสากวันนี้ก็จะปิดฝืนปิดไฟกันเรื่อยช่ชวงเช้าจนถึง บ, าบา่ายค่ำๆน่าจะสามสี่โมงปิดส่อมไฟใหญ่ในโซนแถวๆบ้านเราเพราะฉะนั้นไฟฟ้าก็ไม่มีใชนะ้ละเาลองอยู่แบบโบราณโบราณดงไม่มีไฟฟ้าอยู่ยังไง ตอนนี้ไม่ได้ฉันโดยไปฉันข้างนอกวันนี้ครบรอบสองปียายเตียงกับพระชาสมบัตินะพวเราทราบพิธกรรมพิธีเกินที่เราทําไปแล้วผ่านไปแล้วที่เป็นเรื่องปกติเรืงประจํำมาแล้วพิติกรรมบางอย่างกายเป็นพิธีเกินกว่าจะได้กินข้าวกินปลาพิธีกรรมนี่เราก็จะได้บางเรื่องบางอย่าง มันเน้นพิติกรรมจนลืมดีมาดีไปอย่างเราก็เลยยังมีตัวปรับได้อีกหลายๆวัดมันปรับไม่ได้เคยทำมาอย่างไรก็ทํอย่างงั้นเราจะเห็นว่าปลายปีหลังเมื่อปีใหม่วันนี้เราก็ปรับอะไรอเยอะเช่นไหวพระเองได้สมาทานเองสิ่งใด มันจะแบ่งเบาบระลดขั้นตอนไปอีกเยอะจริงๆแล้วของผูน้นี้ใบโบราณอาจารย์อะไรที่เป็นหลักๆเราควรจะทำด้วยตัวเองเพราะเรื่องศีลค็อื่นทำให้เราไม่ได้สมาธิคือื่นทำให้เราเป็นอย่างปัญญา นี่ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเราโมจะไปหาให้คนนั้นคนนี้ทำให้เราฝากชีวิตฝากความหวังไว้กับคนอื่นชีวิตเราทังชีวิตเ้าชีวิตในทอนนี้ก็คือฝากความคิดของตัวเองฝากคำพูดฝากการกระทำของตัวเองให้กับคนอื่นเขามันได้เนชีวิตเป็นของเรา เราต้องเริ่มต้นจากชีวิตคือว่าเป็นอยู่คือเป็นคือเป็นเป็นนี่แหละอยู่ก็คือมีชีวิตอยู่นีในคําว่าชีวิตอยู่สิว่าในขณะนี้เป็นเป็นอยู่ตรงนี้เป็นก็คือไม่ตายนี่แหละอาจารบอกคอยชีวิตเป็นอยู่จะอยู่ยังไงอยู่ยังไงก็หมายความว่า จะอยู speed, ่ก <sheet. S 1> ับความคิดของตัวเองอย่างไรอยู่กับคาพูดของตัวเองอย่างไรอยู่การกระทําของตัวเองอย่างไรนั่นแหละคือกรรมทั้งหมดประมุน้กรรมกรรมพราะกรรมก็เกิดจากสามอย่างนี้เพราถ้าอยากจะแก้ไขตัวเองคืออย่างแก้กรรมเนี่ยก็ต้องแก้สามอย่างนี้เพราะนี่คือชีวิตเราแล้วก็เป็น กรรมของเรา้วยวิ่ใชกรรมของคนอื่นแก้กรรมคนอื่นไม่ได้ไม่มีที่ไหนก็สอนกันครูเจ้ากองมาดีสอนเราไปแก้กรรมอาเดชแก้กรรมอนาคตมันไม่มีแต่ว่าเป็นเรื่องที่มนุษย์แก้ไขไม่ได้จดันเดงนดอนนาวิธีการที่จะให้คนอื่นแก้กรรมคือแก้กรรมเาตัวเองนะถึงกรนัดแก้ไปย้อนไปที่อดีต มันแก้ได้เหรอเพราะเราไปยังไม่ถึงปัญญาสติปัญญามันน้อยเหมือนวันนี้ที่หลวงพ่อกรานำในเบื้องต้ น, ตอ น, นอวันนี้เขาทำการปิดฟื้นปิดไฟกันด้ยย้ำอยู่เส ม, มอว่าคาพูดความคิดการกระทำทุกอย่างทาง้าเราไม่โอปัญิโกเครือเอามาน้อมเราคิดแล้วเาเป็นธรรมะ เย่างเรียนระบบพูดว่าวันนี้ก็จะปิดไฟไฟไฟ้าทั้งหลายความสว่างก็จะไม่มีเหมือนธาชีวิตของเราหมดฟืนหมดไฟมั่งในตัวเราเนี่ยคือดินน้ำไฟลมไฟมันหมดเกิดอะไรขึ้นพอดินมันหมดไปแล้วเกิดอะไรขึ้นน้ำหมดเกิดอะไรขึ้นแต่ที่สําคัญคือลม เมื่อลมมันหมดมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือองค์ประกอบของว่าชีวิตแต่เราไม่ให้ความสำคัญก็ให้ความสำคัญแค่ชื่อเหมือนที่ชื่อของพวกเรานี่ยแหละในแดงในดำาในขาวเป็นฝรั่งใน A อใน B ใน C ีในบอยก็บ่ากันไปเราก็อาศัยอันนี้ไปตลอดชีวิต ที่มันซ้อนอยู่คือข้อนดั้งเดิมของเราเนี่ยเราเข้าไม่ถึงทำมาอมันเริ่มต้นแค่กายออกมาพิจารณาตั้งแต่ต้ตนเกิดพิจารณาตั้งแต่ต้นก็เริ่มต้นจะเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายเริ่มต้นจะเกิดก็แปลว่าอันนี้แคกเริ่มต้นจะเกิดนะก่อนเกิดเรายังไม่พูดถึง แล้ต้องจะเกิดเรื่องการปฏิสนธิป็นอย่างด้วมาถึงผู้ถึงกว่าจะมาเป็นก้อนเป็นเนื้อเป็นน้ำเป็นรูปเป็นร่างแขนขาตาจะใช้เวลาแปดเก้าเดือนโดยสมบูรณ์ถึงจะออกมาออกมาแล้วก็อาจจะหลังว่ารกอ่ลมรกองวงดังละก็รกอเราก็รกแม่กันก็ตัดออก ตัดความรหลังออกทีนี้พอเริ่มต้นใหม่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็ผู้ชายเด็กผู้หญิงผู้ชายบอกว่านารักก็ตั้งชื่ออะไรปงเชื่อของโบราณบอกตั้งชื่ออะไรก็ได้ที่ผีมันไม่ชอบนี่แสดงว่าความคิดดังเดิมของเรายังเกี่ยวขี่กับพวกผีสางแรงไหม ต้องเชื่อเพืเพไม่ได้ก็ไม่ทราบ ว, ว่าเอาความคิดมันจากไหนเพราะนั้นตั้งอะไรก็ได้ที่เพียงไม่ชาบเช่นเห็แมวให้นม้ากระต่ายอะไรก็เล่ก็ได้ที่มันไม่ชอบบอว่าเออมไม่ใช่คนมันเป็นแมวเป็นมา้าเป็นกระต่ายเป็นหนูก็ตั้งสัตว์ที่มันหน้าลักถ้าเรามาคิปอีกโมงหนึ่งว่าโอ้ผีทําไมมันง่วงขนาดนั้น เรายัางกลัวขดงององอย่เ แ, แต่เราก็ยังเชื่อของพู้กนี้อย่างนี้พพุทธเจ้าสอนให้ฉลาดแต่เรากลับไปเชื่อของงองอ่งมันก็เป็นเรื่องประหลาดเพราะนั้นพพุทธเจ้าต้องบอกเบื้องต้นทำตัวเองให้ฉลาดก่อนเวลาการแสดงออกความคิดกับพูดการกระทำมันจะฉลาดตาม ถ้ามันโง่แสดงความคิดความพูดการกระทํามันก็เป็นไ ป, นปนทางเทนโงงๆอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นตักกะเหตุผลเป็นเรื่องธรรมดาแต่นี่นเริ่มต้นจากพความโง่ความสลดัดมันติดตัวกับเรามาอย่างไรเริ่มต้นจากไม่มีอันนี้มันใช้ได้กับทุกคนถ้าวันไหนถ้่เราคิดว่าเ อ, อวันนี้เราไม่มีอะไรเลยวันนี้เราแย่ วันนี้เราล้มเหลวทำอะไรไม่ได้เสียแต่ขีดเย่อันนึกถึงวันแรกงมีอะไรมีอะไรติดไม้ติดมือมาบ้างชื่อยังไม่มีเลยไม่รู้จักเลยเป็นนายเป็นนางหรือเป็นเด็กยิ่งเด็กช่อะไรก็ยังไม่รู้นี่เงีงพุทเจาถึงบอกว่ามากับอวิชชาถต่เราก็ยังไม่ค่อแก้ความหมาย แล้วก็มาตั้งชื่อเพื่อให้เกิดสัญญาสัญญาคือความจะได้ไม่รู้ว่าอันนี้นายนี้นางนี้สุดท้ายเราก็จำจำจำจ ำ, จ ำ, จ ำ, จำคือสัญญาในการห้านี่ก็จํารอบตัวรอบข้างยังไม่พอยังมีการเรียนรู้เพื่อไม่ใช้กับชีวิตที่เหลืออยู่ก็มีการเรียนรู้ หลักหลายสารพัด a b c d ก็ใครขอใครจนอันออกเสียใจเรียนจบทำมาหากินในกระดาษดิการของแก่มันก็ทำหน้าที่ของมันความเจ็บความตายมันก็ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆของผู้เราตอนนี้สี่สิบห้าสิบหกสิบแจส่สิบแปดสิบกว่ามันขับขึ้นไปเรื่อยๆเหมันเกิดแก จำได้ช่วงหลังๆเราไม่ค่อยรู้แล้วมันจําได้แต่ว่าเกิดแล้วก็ตายแต่พระพุทธเจ้ามันบอกว่าใช่ก็ว่าเกิดแล้วก็ดับเพราะความตายเป็นเรื่องมะะนุษย์ทน่ากลัวกลัวตายแต่ไม่กลัวเกิดเพราะอะไรก็เพราะว่าแนวความคิดอย่างเนี้ยเขาเริ่มต้นจากเราไม่ฉลาดแบบที้แรกะเราจะไปกลัวไปที่ กลัวผิดทางก็ต้องกลับมาที่เดิมพุทธทางสนางันนิษฐานนี้ท่าพุทธเจ้าขอถึงผู้ทธยจ้าว่าเป็นที่พึ่งมันพึ่งได้ยังไงเนี่ยก็เราบ่อยอย่ามากใจหลักต้องคิดว่ายอย่างเช่นเรากลัวเกิดไม่กลัวเกิดแต่กลัวตายเพราะเราไม่เคยออกมาคุกคิดพิจารณาพอถ้ามันมันไม่เกิดจะอะไรามาตาย มันเกิดแล้วมันต้องตายตายแล้วมันจะไปไหนมันก็ไปเกิดอีกแล้วทำไมต้องไปกลัวกลัวเดี๋ยวมันก็ได้เกิดแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นปัญหาอยู่ตรงว่าเกิดหรือว่าตายแล้วเป็นอะไรตายแล้วจะไปไหนผลคอตายนั้นต่างหากเป็นเรื่องที่น่ากลัวน่ากลัวควาตายตายแค่หมดลมหายใจเท่านั้นเอง ดินนะไปล้มไม่ทําหน้าที่แต่ว่าจิตมันไปต่อเนี่ยมันอันตรายมันเรียนว่าอยู่ในวัตตะกรสถานะนี้แต่เราไม่คิดคิดแต่ว่ากลัวตายถึงไม่อยากตายพยายามดึงดันขนหอยทุกอย่างตุโชลอไม่ให้มันตายเร็วเรื่องความตายถือไม่ใช่เรื่องอย่างสําหรับนักปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องธรมรมดาเป็นเรื่องปกติเหมือนทั่วทั่ไป มีอะไรเป็นผิดปกติถ้ามันไม่ตายแล้วมันคือผิดปกติถามม่มีไหมเกิดแล้วไม่ตายเลยน่มีไหมมันไม่มีเราไปกลัวในสิ่งที่มันไม่มีสิ่งที่มีอยู่เราไม่กลัวไม่กลัวการเกิดการเจ็บการตายนี่คือของมีอยู่แต่เราไปกลัวในสิ่งที่มันไม่มีมันก็เป็นเรื่องแปล เพราะว่าปัญญาแบบตัวเดียวนี่แหละมันไม่เกิดขึ้นกับเราปัญญาคือแสงสว่างมันฟื้นไฟเนะเพราะใจมันมืดแต่มันบอดมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นความกลัวความกลัวนั่นเองเราจึงเรียก ว, ว่าพัายพ่ายแล้วของกลัวเพราะนั้นพ่ย น, นี้จึงิงพ่ายยิ่งใหญ่โดยเพราะยิ่ง ภัยที่ใหญ่ที่สุดก็คือวัฏฏสงสารภายในวัฏฏสงสารนั้นนี่ภารตะข่ายอย่างจะออกจากวัฏฏสงสารอันนี้นออ ก, ก, สสนนก็ทําอย่างที่พระเจ้าตรัสที่บอกเอาไว้ก็คือพระรัตพระใจเป็นเบื้องต้นดังอางนั้นพื้นฐานหลักคือศินห้าเชื่อสมาทานกันจเนี่สินห้า ก็ขออย่าได้เป็นแค่เป็นศีลขอคือขอกับพระแล้วก็แล้วกันไปมันไม่มีประโยชน์อันไนเลยเพราะนั้นเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าว้พระเราว่าเองได้ขอศีลหรือสมาทานศีลด้วยตัเองไม่ได้หรือไงถ้าเราเข้าใจอย่างนี้อยู่ที่บ้านก็ทำได้วันนั้นไม่ใช่วันพระเพราะวันพระในอาทิตย์หนึ่งก็มีวันเดียว แล้วอีกหกวันะใจเราไม่เป็นพระเลยเลยใจเราไม่มีสินเลยอก็แปลว่าถ้าเราไม่รับอีกหกวันเนี่ยเราก็เป็นคนไม่มีสินไม่มีสิ น, นียวอีกพวไม่มีธรรมคนไม่มีสินไม่มีธรรมดูสภาพมันเกิดอะไขึ้นอันนั้นฝากพวกเราทุกคนเพื่อเป็นแนว เป็ น, านกาในกาคิดจะได้โอปนาจิโกเห็นความแตกต่างเราจะลืมว่าวันวั น, วนหนึ่งทําให้ตัวเราฉลาดทําให้ตัวเราเจริญขึ้นทุกวันอย่างน้อยที่สุดไพิจารณาในแต่ละวันว่าวันนี้ระหว่างความดีกับความไม่ดีอัไรมันเยอะอแต่นนั่นแหละคือน้ําหนักทิศทางที่เป็นตาช่างที่จะกําหนดว่าเราถ้าความดี มากกว่ามันก็ไหลไปทางดีแต่ความไม่ดีมันเยอะกว่ามันก็ไหลไปทางไมเดีนี่คือทางที่จิตมันจะไปข้างหน้าเราก็เลือกเอาได้ดีไม่ดีเลือกเอาได้เพราะนั้นความดีที่พระเจ้าสอนพวกเราเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเส้นลงทุนสักบาทไหมสมาธิลงทุนสักบาทไหมปัญญาไหมไม่มีมีแต่ทานตัวเดียวเท่านั้นที่บอกว่าต้องมีการลงทุน แต่เราก็ไปวงทิทานเป็นหลักทั่วบ้านทั่วเมืองเอาทานเป็นใหญ่อันนนมันผิดทางทานคืจุดเริ่มต้นเบื้องต้นเท่านั้นเองแต่พระสิงห์สมาธิปัญญาเนี่ยจะเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องใหญ่แต่เราไม่ทำเรื่องใหญ่เราไปทำเรื่อง เ, องเล็กๆให้เป็นเรื่องใหญ่ก็คือการให้ทานมันดีมันไม่ใช่ไม่ดี แต่สิ่งที่มันดีกว่าหรือดีที่สุดเราไม่ทำเรากลับไปทำของธรรมดาของพื้นๆ ท, ทั่วไปใครก็ทากันได้เนะี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรามุ่งปฏิฐานอย่างเดียวคือการให้การแบ่งปันเรียอะไรกันแล้วแต่เนะี่ยก็ทำสิ่งธรรมดาแต่ก็ยังดีนะดีกว่าคนไม่มีทานเลยทานก็มารู้จักให้ อันนี้หนักเลยชีวิตจะห น, หนักหนักหนาสาหาัสเกิดมาอีกทีก็หมดไม่มีอะไรเหลือบ้านช่องหอปัจจัยสม่มีบ้านที่อยู่ก็ไม่มีอาหารที่จะบำรุงร่างกายไม่มีอันนี้คือคนที่ขาดอันนี้คืออันนส่ของเร า, าทานแต่ก็ยังดีแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือให้มันครบพร้อม คือทานศีลสมาธิปัญญาเราก็มานั้งตงทบทวนดู ว, วันนี้เราทานอะไรบ้างเราให้อะไรบ้างสองศีลวันนี้เราเป็นครบไหมห้าข้อเองมันนึกเน้นไม่ยากหรอกคนเราไม่ได้ไปคิดลืมกระดาษนั้นแค่ห้าข้อทบทวนดูว่าสมาธิตอนนี้อยู่กับเนื้อกับตัวไหมหมายถึงจิตเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวไหมมันออกไปเที่ยวไหม ว่าที่ปัญญาคิดอะไรได้บ้างวันนี้ที่มันกระทบโดยภาษาผ่านทางตาทางหูก็ดีมันได้ยินได้เห็นได้ฟังแล้วเกิดปัญญาอะไรบ้างที่ไม่เกิดปัญญาในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นถ้าเราเคาะในคุณสมบัติอย่างนี้วันนั้นเราก็เชื่อเป็นนักปฏิบัติที่ดีไม่จำเป็นต้องเข้าวัดเพราะว่าเราเปรียบเชื่อไปฟังอยู่เสมอว่า การเข้ามาวัดเนี่ยก็เพื่อมาวัดกายของตัวเองวัดวาจาของตัวเองวัดใจของตัวเองอยู่บ้านมวัดไม่ได้สารพัดมาวัดถึงวัดด่างอมาวัดกายวัดกายวัดตรงไหนศีลคือกายกับวาจาเนี่ยตัวแค่วัดศีลนี่คือตัวชีวัดแท้บอกว่าเราไม่มีชีวิตนั้นไม่ใช่กายวาจาเนี่ยคือตัวชีวิตใจ อันนี้ก็วัดธรรมวัดที่ศีลวัดที่ธรรมก็คือวัดกายวัดวิจาวัดใจวัดทุกวันเราจะได้รู้ว่าเออกายวาจาของเราเป็นยังไงถ้าเราวัดกายตัวเองได้วัดวิจารตัวเองได้วัดใจตัวเองได้ไม่ต้องมาวัดแล้วอยู่ที่บ้านนั่นแหละวัดเอาไม่ต้องไปวัดไหนแต่ต้นนี้มันวัดไม่ได้ มัดกายตัวเองคือควบคุมไม่ได้ไม่ควบคุมไม่ได้มันก็แสดงพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายทางวาจาที่เป็นละเมิดสิทธิคนอื่นเขาแล้วก็กดกิจกาบ้านเมืองเขาเนี่ยนั่นก็เราเราผิดจริงแต่ถ meaning, ้าใจเราไม่มีอะไรกํากับดูแลคือไม่มีสติเนี่คือทำแค่นี้เองสองคำง่ายๆสั้นๆ เอ า, าเราทุกคนเพื่อเอาอันนี้เป็นแนวนึกแนวคิดและนำไปสูก่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของแรกของจิตใจส่วนร่างกายมันเปลี่ยนแปลงมาตลอดแ ล, ล้วแต่เรามองไม่เห็นคือเริ่มตั้งแต่ทัเกิดแก่เจ็บแล ะ, ะตายมีความเปลี่ยนแปลงของร่างกายส่วนความเปลี่ยนแปลงของจิตใจของเราเร า, เราไม่เคยสังเกตสังการไม่เคยดูไม่เคยเห็นไม่เคยพบ เราก็อยู่ด้วยกันไปอย่างเนี้กายไปอีกทางใจไปอีทางอยู่ด้วยกันนี่แหละเดินเหินยืนเดินนั่งนอนไปด้วยกันกายก็ไม่รู้จักใจใจก็ไม่รู้จักกายมันอยู่ด้วยกันจนตายไปข้างหนึ่งก็ยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเราจะไปคิดว่าเรารู้จักตัวเองไหมกรรู้จักตัวเองก็ต้องเข้าใจความหมายตัวเองคืออะไรตรงไหนที่เราตัวเอง เราบเข้าใจตาตัวเองเข้าใจไหมว่าตาเห็นดูมาเกิดอะไรขึ้นมันชอบมันไม่ชอบมันเฉยๆแต่พิจารณาไหมยอ้สิรับมารับแล้วมันพอใจไม่พอใจหรือว่าเฉยๆมันไม่ครบองค์ประกอบในการพิจารณาเราก็ได้เ่ยได้แค่ชอบไม่ชอบมันจะเป็นที่มาขอ ง, ท, งทั้งหมดทั้งมวล ท, ที่มันกระทบพัสดะโดยสมาธิเยกแยะ คือยังไงคืไม่สามารถที่จะทาให้มันเกิดขึ้นแล้วไม่จะมารถทให้มันดับลงได้บัรยากาศเป็นไฟกองใหญ่เผาชาวโลกเผาสัตว์ทั้งหลายทื่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอันนี้แหละวันนั้นท่าก็แจกรว่าเกิดแล้วก็ดับคือมันเกิดแล้วมันต้องดับทุกเรื่องท่องไว้อย่างนี้เช่นความโลภมันเกิดมันก็ต้องดับความโกรธมันเกิดมันก็จะต้องดับความหลงมันเกิดมันก็จะต้องดับ ถ้ามันเกิดแล้วมันไม่ดับเนี่ยมันผิดธรรมชาติอ่ะมันมนุษย์เราน่ะเกิดแล้วมันไม่ตายคือไม่ดับผิดธรรมชาติมันไม่หนีเพราะฉะนั้นถ้าให้มันดีคือรู้จักั้งการเกิดและการดับและวิธีการเด็กการดับให้กับตัวเองได้เราไปช่วยว่าดับทุกทุกวันเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์การปฏิบัติธรรมคือต้องการให้เราดับทุกของตัวเองทุกวันทุกมันก็จะน้อยลง จนมีจนเหนือจนพ้นจากทุกข์พรนจิตที่คนฝึกดีแล้วจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้คือพ้นจากทุกข์นี่คือปวามหมายในการปฏิบัติก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่พวกเราทั้งหลายวันนี้แด่น้อมนำมาพาาัตนาคือทานนั่นแหละในการเสียสละเพื่อการให้การแบ่งปันสะได้ดีกว่านั้นใจไม่จือที่ดีต่อกัน ถลกที่ไม่มีทานเราก็คง ม, มีสภาพอย่างนี้ก็ขออนุโมทนากับราหาาที่พวกเราทุกคนที่เรานอมมาในวันนี้และก็จะลืมอุทิศคือเฉพาะจะจงความดีทุกครั้งที่เราทำอันนี้ให้กับพันพบรุบของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบนที่พวกเราทั้งหลาย ได้กระทำควาเป็นในวันนี้